เรื่องพันนาสวรรษสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพันนาเรื่องสวรรษให้บุคคลผู้ทำความดีฟังเขาน้อมใจเชื่อแล้วถึงแก่ความตายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัต งเลเล็บรื่อ่อที88สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่าจึงพนาเรื่องพันนาสวรรค์สามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพรนาเรื่องสวรรค์ให้บคุคคลผู้ทำความดีฟังขอน้อมใจเชื่อแล้วถึงแก่ความตายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้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 พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่89สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่าจึงพันนาเรื่องสวรรค์ให้บุคคลผู้ทำความดีฟังขอน้อมใจเชื่อแต่แม่ตายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ โรงตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ต้องอบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่90้าสิบ